ช้องผมโดยทั่วไปหมายเอาผมสำหรับเสริมผมให้ใหญ่และยาวแต่ในวินัยมุกนี้หมายเอาผมคือผมล้วนๆก็ดีเจือด้วยวัตถุอื่นมีได้และดอกไม้เป็นต้นก็ดีเขาจะรัดไว้ก็ตามไม่รัดก็ตามชื่อว่าช้องทั้งนั้นแม้ขนก็สงเคราะห์เข้าในช้องด้วย ชาญคือพื้นที่นอกกุฏิเลยใจคาออกไปชีออกคือทำให้กระจายออกเช็ดหน้าคือการฉาพอกเพื่อให้มัน่นคงหรือไม้กรอบประตูหรือหน้าต่างแห่งตึกชาญ คือการเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิยาติจตุตถากรรมอุปสมปทาคือการอุปสมบทบวชพระที่สาเร็จด้วยกรรมวาจาที่สทั้งยาติคือกรรมวาจาเที่ยวแรกเป็นคำประกาศให้สงสาบเรียกว่ายัติอีกสามเที่ยวเป็นคำปรึกษาของสง ที่ตกลงกันว่ารับเข้าหมู่เรียกว่าอนุสาวนาญาณวิปยุตคือปราศจากความรู้ปราศจากปัญญาปราศจากปรีชาเท่าแก่คือผู้สู่คอหญิงให้แก่ชายผู้เป็นประธานจัดการ ให้ชายหญิงเป็นสามีภรรยากัน